ปาราชิกสิกขาบทที่สองท่านพระมหากสปะถามต่อไปว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สองณที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่าณกรุงราชครื้ขอรับท่านพระมหากัะสปะถามว่าทรงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทรงปราลบพระธนิยะกุมภการบุตร ท่านพระมหากัสปัถามว่าเพราะเรื่องอะไรท่านพระอุบาลีตอบว่าเพราะเรื่องการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากนั้นท่านพระมหากัสปัได้ถามถึงวัตถุบ้างถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างถามถึงพระบัญญัติบ้าง